เรื่องนี้เป็นประสบการณ์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพในช่วงวันหยุดยาวของพวกเขาได้นกกนัดกันกับกลุ่มเพื่อนเพื่อที่จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอภูกระดึงในจังหวัดเลยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศไทยก่อนเดินทางไปเที่ยวก็มีคุณยายของรุ่นพี่ในกลุ่มซึ่งท่านเป็นห่วงก็เตือนด้วยความหวังดีว่าก่อนเข้าป่า ให้ว า, วายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยแต่พอพวกเขาทั้ง1ิบเดินทางมาถึงยังจุดหมายก็ลืมนึกถึงคำพูดของคุณยายทุกคนล้วนไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนเลยในกลุ่มพวกเรามีอ้อยเป็นคนพูดจาผงผางเพราะเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องอาถรรพ์จึงพูดจาไม่ค่อยดีนักทั้งหยาบคายและก็ท้าทายพอเพื่อนห้ามก็เหมือนยิ่งยุ ระหว่างที่พวกเราเดินทางท่องเที่ยวในวันแรกไอไอ้อยมันก็พูดจาไม่ดีในแบบของมันไปเรื่อยๆแล้วกลุ่มของพวกมันก็หลงป่าหาทางออกไม่เจอจนรุ่นพี่เริ่มไม่สบายใจจึงคิดว่าคงต้องขอขมาเจ้าที่เจ้า ท, า, ทางแล้วก็ยกมือไหว้กับต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนั้นหลังจากที่ขอขมาเจ้าที่เสร็จเมื่อเดินต่อสักพักเขาก็เห็นไม้สีแดง มีลักษณะคล้ายกับไม้เท้าซึ่งชี้เหมือนกับจะบอกทางจึงตัดสินใจเดินไปตามทางนั้นโดยเก็บเอาไม้ชิ้นนั้นมาด้วยสักพักก็เดินพ้นออกมาจากป่าได้จริงๆรเมื่อพ้นออกจากป่ามาได้พุกเราก็เดินเที่ยวกันต่อไปยังผาล่มสักพอไปถึงที่นั่นก็เกือบเย็นแล้วจึงอยู่รอชมพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็พักไปในตัวด้วยนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆก็เดินถ่ายรูปกัน บางก็นั่งพักนอนพักแต่ด้วยกลุ่มพวกเราที่เป็นผู้ชายล้วนและมากันเยอะจึงเกิดความคึกขนองไออ้อยตะโกนคำหยาบอกไปด้วยเสียงอันดังแล้วเสียงนั้นก็สะท้อนกลับมาตอนนั้นออยรู้สึกว่ามีคนกำลังจ้องมองเขาอยู่อย่างไม่พอใจจึงถามเพื่อนๆในกลุ่มว่ามีคนกลุ่มอื่นหันมามองเขาไหมซึ่งเพื่อนก็บอกว่าไม่มี เมื่อพระอาทิตย์ตกแล้วพวกเราก็เดินทางกลับโดยใช้เส้นทางเลียบผาแต่ด้วยเหตุที่ว่าพวกเราไม่มีใครนำไฟฉายมาด้วยเลยและไม่เคยมาที่นี่จึงพยายามเดินกันเป็นกลุ่มเพื่อหวังจะใส่แสงไฟของกลุ่มอื่นๆเพื่อ น, นำทางแต่เมื่อเดินไปได้สักพักหนึ่งแสงไฟจากนักท่องเที่ยวกลุ่มด้านหน้าพวกเราก็ค่อยๆ อ, ออกห่างไปทุกทีพวกเรารีบเร่งฝีเท้าเพื่อตามให้ทัน แต่มีความรู้สึกว่าพวกเขาเดินเร็วมากๆจนสุดท้ายพวกเราก็ตามไม่ทันแสงไฟจากกลุ่มหน้าหายไปแล้วหันไปมองด้านหลังก็ไม่เห็นกลุ่มอื่นที่ตามมาอีกเลยพวกเรารีบเร่งฝีเท้าขึ้นอีกเพื่อว่าจะตามทันแต่ก็ไม่เจอโชคดีที่เจอร้านค้าระหว่างทางที่เดินมาจึงขอซื้อเทียนแต่ก็ได้เพียงแค่สองเล่มเท่านั้น แล้วร้านาค้าก็แนะนำให้เดินทางลัดเพราะเห็นว่าดึกแล้วพวกเราก็เดินทางกันต่อเมื่อเดินไปเรื่อยๆเส้นทางมันก็แคบลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันจากตอนแรกที่เดินเรียงหน้ากระดานกันแถวและสี่คนก็ต้องขยับถอยเป็นแถวเรียงเดียวโดยแสงเทียนจะมาจากคนแรกและคนสุดท้ายของกลุ่มซึ่งไงออยเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วจึงได้เดินถือเทียนรั้งอยู่ท้ายกลุ่ม ตลอดเส้นทางพวกเราจะขานนับจำนวนคน 1-10 ถึงเป็นระยะเพื่อเช็คว่ายังอยู่ครบกันทุกคนไม่ได้หายไปไหนแล้วเส้นทางก็ค่อยๆลาดต่ำลงเรื่อยๆยาสองข้างทางสูงเกือบจะท่วมหัวบริเวณเหนือพื้นดินที่เราเดินก็มีหมอกปกคลุมสีจางๆเมื่อมองตรงไปข้างหน้าก็เห็นเพียงแค่ท้องฟ้าที่มืดมิดระยะการมองเห็นของพวกเราในตอนนั้น มองเห็นเพียงแค่รัศมีของแสงสว่างจากเทียนเล่มน้อยตลอดทางที่เดินอยู่ทุกคนรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นตลอดเวลามันรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนวิ่งแล้วเอามือปาดต้นหญ้าข้างทางพานพวกเราไปมาแต่ก็ไม่มีใครกล้าทักพอเดินไปอีกระยะหนึ่งเพื่อนคนสุดท้ายที่อยู่หน้าออยก็กระซิบบอกว่าเห็นคนจากหางตา แต่ไม่กล้าหันไปมองซึ่งมีลักษณะตัวดำและใหญ่มากนั่งยองๆกอดเข้ามองพวกเราอยู่ข้างทางไออ้อยตบหัวเพื่อนแล้วบอกว่าไหนไม่เห็นมีเลยเดินไปได้อีกสักระยะหนึ่งอ้อยก็รู้สึกเหมือนมีคนมาหายใจรถต้นคอและรู้สึกแน่นที่หน้าอกเอามากๆจนพวกเราเดินทางมาถึงทางสามแพรง่งจึงจับกลุ่มปรึกษากันว่าจะไปทางไหนดีซ้ายหรือขวา แต่ก่อนอื่นขอขานนับเช็คยอดขนก่อนอีกสักครั้งเมื่อนับไปหนึ่งสองสสห้าแล้วก็เงียบไปไม่มีเสียงขานรับจากออยตอนแรกพวกเรานึกว่ามันแกล้งก็บอกให้ออกมาแล้วก็ช่วยกันหาแต่ก็ไม่เจอพวกเราส่วนหนึ่ง จึงรีบวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมและพบว่าอ้อยนอนอยู่ตรงทางเดินโดยครึ่งท่อนล่างนั้นเหมือนกำลังถูกลากเข้าไปในป่าย้าข้างทางเพื่อนเพื่อนจึงช่วยกันดึงไว้แล้วเรียกพวกที่เหลือให้วิ่งตามมาช่วยออยมีอาการกระตุกตาเหลือกตัวแข็งพวกเราตกใจช่วยกันบีบนวดแขนและขาแต่รู้สึกว่าตัวของออยนั้นแข็งมากแข็งไปทั้งตัว บีบไม่ลงไม่ยุบเลยส่วนออยไม่รู้สึกตัวแล้วพวกเราจึงพยายามหามออยโดยคนหนึ่งช้อนใต้แขนอีกคนยกขาเพื่อหามเดินซึ่งตอนแรกก็ยกไม่ขึ้นรู้สึกว่ามันหนักมากๆพอยกขึ้นแล้วในระหว่างที่เดินคนที่เดินอยู่หน้าสุดก็ร้องลั่นว่าเห็นงูอยู่ข้างหน้าทุกคนมองเห็นเป็นงูเหมือนกันหมดแล้วงู ก็กลายเป็นกิ่งไม้ไปต่อหน้าต่อตาพวกเราเดินไปได้ระยะหนึ่งเพื่อนสองคนที่หามอ้อยก็บอกว่าไม่ไหวทั้งทั้งที่ความจริงแล้วอ้อยตัวนิดเดียวคนหามตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะจึงให้เพื่อนอีกคนมาช่วยหามเป็นสมคนแต่ถ้ว่าอ้อยตัวหนักขึ้นเรื่อยๆจนหามต่อไปไม่ไหวอ้อยล่วงหล่นลงมาแล้วมีอาการชักตาเลือกอย่างน่ากลัวจู่ๆ มีแสงไฟพุ่งตรงเข้ามาหาพวกเราอย่างรวดเร็วเมื่อเข้ามาใกล้จึงได้รู้ว่าเป็นแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานั้นเป็นผู้ชายใส่ชุดทหารผ่านสวนไม่มงพวกเราไม่รู้จะทําอย่างไรต่อจึงขอร้องให้เขาช่วยออยหน่อยพี่เขาจึงให้ออยขึ้นรถนั่งตรงกลางแล้วให้รุ่นพี่ของพวกเรานั่งประคองหลังไว้จากนั้น รุนพีก็ยื่นไม้สีแดงที่เก็บมาให้พวกเราคนหนึ่งถือไว้แล้วชายขีย่มอเตอร์ไซค์ก็แนะนำให้พวกเราเลี้ยวขวาที่ทางแยกเพื่อกลับที่ทำการรุ่นพีคนที่นั่งซ้อนท้ายไปด้วยได้มาเล่าให้ฟังทีหลังว่าเมื่อถึงทางแยกมอเตอร์ไซค์ได้เลี้ยวซ้ายแล้วบอกว่าทางสะดวกกว่ารุ่นพีจึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้คนขี่มอเตอร์ไซค์ฟังทันใดนั้น คนขี่ก็หัวเราะขึ้นโดยน้ำเสียงที่ได้ยินนั้นแปลกไปจากเดิมเสียงนั้นทั้งใหญ่และยานตอนนั้นรุ่นพี่กลัวมากๆแต่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่มาส่งจนถึงบริเวณสะพานไม้หลังที่ทำการแล้วเขาก็บอกให้พาออยไปห้องพยาบาลตอนนั้นตัวออยไม่หนักเหมือนก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อถึงห้องพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ให้อ้อยกินยา และนอนพักแล้วไม่นานออยก็ฝืนแบบงงๆส่วนพวกเราที่เหลือ8คนที่เดินกลับตอนนั้นเทียนของพวกเราดับไปแล้วก็ต้องอาศัยแสงไฟจากมือถือตลอดระยะเวลาที่พวกเราเดินกลับมันรู้สึกว่าเหมือนกับมีคนตามมาตลอดเพื่อนคนหนึ่งโดนผลักตกหลุมซ้าถึงสองครั้งโดยทุกคนยืนยันว่าไม่มีใครแกล้ง พวกเราเดินต่อไปจนเห็นแสงไฟเหมือนไฟบ้านแต่เดินเท่าไรก็ไม่ถึงสักทีสุดท้ายแสงไฟนั้นก็ค่อยๆหายไปพวกเราเดินต่อไปเรื่อยๆแต่ก็วนกลับมาที่เดิมตอนนี้ทุกคนกลัวมากตัดสินใจ ย, ยกไม้สีแดงขึ้นมาพนมมือแล้วอธิษฐานขอเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยเหลือพวกเราให้กลับถึงที่พักเสียทีเมื่ออธิษฐานเสร็จจู่ๆ เพื่อนคนหนึ่งก็ตัดสินใจแหวกหญ้าข้างทางที่สูงท่วมหัวออกก็มองเห็นแสงไฟของที่ทำการมันอยู่ไม่ไกลพวกเราเลยแต่พวกเรากลับหลงกันอยู่ตรงนี้แล้วพวกเราก็เดินไปจนมองเห็นเจน้าหน้าที่ใส่ชุดทหารสวมไอ้โม้งสองคนพวกเขาส่องไฟมาหาพวกเราแล้วเขาก็พูดว่าเจอพวกมันแล้วแล้วทหารสองคนนั้นก็เดินหายไป เมื่อพวกเราเดินมาถึงที่พักก็จุดทูบขอขมาเจ้าที่เจ้าทางตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วเช้ามาอ้อยได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่เขาเดินอยู่นั้นเขาได้เห็นคนตัวใหญ่หน้าตากโกรธมากมาทำให้ลมลงแล้วกดหน้าอกเอาไว้ตอนที่เพื่อนๆ พ, พยายามแบกตัวเขาแล้วพวกเราก็ได้ไปตามหาเจ้าหน้าที่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะขอบคุณ แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆในที่ทําการได้บอกว่าไม่มีใครใส่ชุดเต็มยศขนาดนั้นหรอกแล้วแมคค้าที่ขายของอยู่บริเวณนั้นก็ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นผู้ช่วยขององค์พุทธเมตตาที่มักจะออกมาให้ความช่วยเหลือผู้คนอยู่บ่อยๆเมื่อพวกเราได้เดินกลับไปดูเส้นทางที่เดินมาเมื่อคืนก็พบว่าต้นไม้ใหญ่ที่เห็นเมื่อคืนนั้นมันไม่มี และหญ้าบริเวณนั้นก็เตี้ยมากสูงไม่ถึงเขา่าเรามั่นใจว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เราเดินมาเมื่อคืนเพราะยังมีร่องรอยพลาสเตอร์ที่พวกเราใช้กันอยู่ตกอยู่ข้างทางอยู่เลยแล้วทางแยกที่รถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวซ้ายไปนั้นก็ไม่มีทางไปได้มันเป็นทุ่งหญ้าและสามารถเลี้ยวขวาได้เท่านั้นเพราะทางซ้าย เปเส้นทางขาดที่โดนน้ำซอะเป็นร่องลึกไม่มีใครสามารถผ่านไปได้ก่อนที่จะออกจากภูกระดึงพวกเรารู้สึกขอบคุณไม้เท้าและได้นำมันไปพิงไว้หลังต้นสนใหญ่แล้วก็ออกมาจากที่นั่นก่อนกลับก็แวะไปไหว้สารเจ้าพ่อภูกระดึงปรากฏว่าในสารมีไม้เท้าสีแดงอยู่ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับไม้เท้าที่พวกเราเจอบนนั้นเลย พวกเราจึงคิดว่าคนที่ไปช่วยพวกเรานั้นคงเป็นเจ้าพ่อแน่ๆเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ของออยออกมาเปิดประตูหน้าบ้านให้แล้วก็ทักออยว่าเอาใครมาด้วยตัวใหญ่ตาแดงยืนอยู่หน้าบ้านออยไม่ได้เล่าให้แม่ฟังแต่ไปเล่าให้พี่สาวฟังแล้วพี่สาวก็ไปเล่าให้แม่ฟังอีกทีหลังจากได้ยิน แม่ก็เล่าถึงความฝันของแม่ว่าช่วงที่อ้อยไปเที่ยวภูกระดึงได้ฝันเห็นต้นไม้ใหญ่แผกิงเหมือนมือที่กำลังไล่ต้อนเด็กตัวเล็กๆอยู่ซึ่งแม่อ้อยก็ร้องบอกว่าอย่าไปทำเด็กๆเลยขณะที่แม่อ้อยกำลังนั่งคุยกับพี่สาวอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นมาว่าให้พวกมันมาขอขมากร แม่จึงได้พาออยไปทําสังขทานและอาบน้ำมนเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาด้วยสัมผัสสยอง